อาณาสยามยุทธว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกผลนิกายไปกระทำการศึกสงครามกันกัดลาวภุงขาวชาวเมืองเวงจันเป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันจัดขมิญยวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทำมหายุทธนาการในราชการที่สาลกรุงเทพเมื่อจุลศกราชนร้อยแปด8ิปีจออาศก ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุดภาพที่หนึ่งตอนที่แปดแขนเจ้าอนุรวงค้าของทัพไทยกรมพระราชวังบวลประทับอยู่ในค่ายนอกเมืองนครราชสีมานั้นหกวันจึงเจ้าพระยานครราชสีมากราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ให้เข้าไปทอดพระเนตรในเมืองนครราชสีมาจึงเสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชยานผูกแปดมีกระบวนแห่นําตามเสด็จเป็นอันมากเสด็จไปทอดพระเนตรในเมืองนครราชสีมาหลายแห่งทอดพระเนตรพระอารามทั้งสองที่ทรงปฏิสังขรณ์ด้วยทอดพระเนตรทั่วแล้ววันหนึ่งจึงเสด็จกลับออกมาประทับอยู่ในค่ายอีกวันหนึ่ง จึงเสด็จกรีธาทัพหลวงจากเมืองคอนครราชสีมาลงมาทางดงพระยาไฝ่ตัดทางมาลงยังท่าราบแฝงเมืองสระบุรีประทับที่พระพราท่าราบสีวันแต่พอนายทัพนายกองที่ตามเสด็จพระราชาดำเนินมาพร้อมกันแล้วจึงเสด็จประทับในเรือพระที่นั่งบันลังสีชื่อการสวรมาลาพร้อมด้วยเรือกระบวนดั่งกันเหยนาตามเสด็จมาถึงกรุงเทพ ณวันจันทร์เดือนเก้าแรมสามค่ำเวลาบ่ายสามโมงในเวลาวันนั้นกรมพระราชวังบวรได้เสด็จพระราชดำเนินลงไปเฝ้าในพระราชวังหลวงกราบบังคมทูลพระกรุณาด้วยข้อราชการศึกเสร็จทุกประการแล้วกราบทูสลสรรเสริญยกย่องความชอบพระยาราชสุภาวดีว่าใจกล้าหาญในการศึกสงคราม และฝีมือก็เข้มแข็งอาจหามสามารถทั้งสติปัญญาก็หลักแหลมพร้อมด้วยจะหาผู้ใดเสมอไม่ได้ในทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบดังนั้นจึงมีพระบรมราชองค์การดำรับสั่งพระศรีสหเทพให้มีท้องตราพระราชสีขึ้นไปยังกองทัพเมืองเวียงจันทร์ ให้ประกาศความชอบในพระยาราชสุภาวดีให้เลื่อนยศขึ้นเป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดีว่าที่สมหนายกอัครมหาเสนาบดีถือศักดินาหมื่นไร่พระราชานพผานหมากทองคาคนโทน้ำทองคาและเครื่องยศอย่างเสนาบดีผู้ใหญ่ท่งขึ้นไปพระราชทานโปรดเกล้าให้เลื่อนยศพระสุริยพักดีป้อมเป็นพระราชวรินทร์ แล้วพระราชทานสิ่งของดีๆหลายอย่างขึ้นไปให้พระราชวรินทร์สำหรับให้เจ้าอุปราชเวียงจันทร์เป็นการแทนคุณเจ้าอุปราชที่เขาช่วยแก้ไขมีหนังสือมาถึงเจ้าอนุให้ลงไปกรุงเทพได้แล้วโปรดกล่าวให้เลื่อนยศพระนรงสงครามจางวางสวยทองเมืองนครราชสีมาเป็นพระยาณรงค์สงครามพระราชทานถาดหมากทองคา ขนโทรน้าทองคำเป็นเครื่องยศโปรดกล้าวให้พระยามหาเทพเจ้ากรมพระตำรวจหนึ่งพระศรีเสนากรมมหาไทยหนึ่งขุนมหาสิทธิโวหารกรมพระอารักษ์หนึ่งเชิญท้องตาตั้งเจ้าพระยาราชสุภวดีสิงห์และพระราชวรินทร์ป้อมพระยานรงสงครามมีกับเครื่องยศขึ้นไปพระราชทานที่ค่ายเมืองเวียงจันท์ ที่ตำบลพรานพร้าวนั้นพร้อมกันทั้งสามคนตามบรรดาศักดิ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระขังมีหนังสือบอกเรื่องเจ้าอนุเมืองเวียงจันทร์เป็นขบฏต่อกรุงเทพบอกไปถึงองค์เล่ปโปเสนาบดีที่กรุงเวฝ่ายยวนฉบับหนึ่งให้ส่งทางเมืองขมรเมืองขมรส่งต่อไปจนถึงเมืองไสง่อน ซึ่งเป็นหัวเมืองเอกของยวนใจความในหนังสือนั้นตัดเนื้อความแต่สั้นๆพอรู้การว่าเจ้าอนุเวียงกัรเป็นขบฏต่อกรุงเทพกรุงเทพต้องยกกองทัพใหญ่ขึ้นไปปราบปรามการจราจรสงบราบคาบเส้นแล้วแต่บัดนี้เจ้าอนุผู้ทำความผิดคิดมิชอบสู้กองทัพไทยไม่ได้ก็หนีเข้าไปอาศัยอยู่ในหัวเมือง ซึ่งเป็นเขตแดนของยวนผู้ครองฝ่ายไทยจะให้กองทัพยกเข้าไปติดตามจับเจ้าอนุในเขตแดนยวนนั้นก็เกรงว่าจะเสียทางพระราชมตรีจึงได้สั่งให้กองทัพไทยรังรอไว้แต่ที่เขตแดนของไทยซึ่งติดต่อที่พรมแดนกับยวนก่อนจึงได้บอกมาให้องเลโปเสนาบรีฝ่ายยวนทราบแล้วขอใหนาข้อความในหนังสือฉบับนี้ ขึ้นกราบทูลเจ้าเวียดนามให้ทรงทราบด้วยเทินฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีว่าที่สมุหานายกนั้นได้ตั้งพักพลทหารอยู่ที่ค่ายท่าชมใกล้พรานพลาวก็จัดการบ้านเมืองลาวเรียบร้อยปกติจึงสั่งให้พระราชวรินป้อมไปกวาดต้อนครอบครัวมาไว้ที่ค่ายพรานพลาวได้มากแล้วจึงได้แบ่งลาว ไว้ให้อยู่เป็นพลเมืองเวียงจัน์บ้างพอสมครวรให้เพียเมืองเวียงจันทร์อยู่รักษาเมืองเวียงจันท์ต่อไปครอบครัวที่เหลือนั้นเป็นอันมากจึงให้นายทัพนายกองกวาดต้อนส่งลงมากรุงเทพให้เดินครัวเป็นลำดับกันเนืองๆลงมาหลายทางหลายสายฝ่ายเจ้าพระยาราชาสุภวดีสืบติดตามหาพระบางได้ที่ในถ้าเขาแก้ว ซึ่งข้าพระพาไปซ่อนไว้นั้นตามมาได้แล้วจึงเชิญพระบางขึ้นช้างพาเจ้าอุปราชเวียงจันทร์กับพระยาเชียงสาลงมากรุงเทพให้พระราชวรินทร์ป้อมเป็นแม่ทัพหน้ายกลงมาทางดงพระยาไปให้พระยาเพชรบณ์ต้อนครัวลงไปทางเมืองเพชรบุญส่งยังกรุงเทพให้พระยานรง์สงครามเป็นนายทัพหลวงต้อนครัวมาพร้อมกันถึงเมืองกรุงเทพ เมื่อถึงเดือนสามปีกุลนบพศกจุลศกหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าปีเข้าเฝ้าพระกรุณาในท้องพระโรงจึงมีพระบรมราชองค์การดำรัสว่าเจ้าอนุก็ยังจับตัวหาได้ไม่มันจะกลับมาตั้งบ้านเมืองอีกต่อไปประการใดก็ไม่แจ้งเมืองเวียงจันนี้เคยเป็นกบฏมาสองครั้งแล้วครั้งนี้ ไม่ควรที่จะเอาไว้ให้เป็นบ้านเมืองอยู่เสือบตอ่อพืชพันธุ์ขบฏเลยซึ่งเจ้าพระยาราชาสุภาวดีคิดนั้นหาถูกกับความดําริเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ซึ่งเจ้าพระยาราชาสุภาวดีคิดจัดแจงแต่งตั้งบ้านเมืองเวียงจันทร์ขึ้นนั้นให้รีบกลับขึ้นไปทําลายล้างบ้านเมืองเวียงจันทร์เสียให้สิ้นเชิงและกวาดต้อนครอบครัวลงมาไว้ในบ้านเมืองเราให้หมด จงทำเมืองเวียงจันเป็นป่าไปไม่ให้เป็นบ้านเมืองแต่พระบางนั้นให้เจ้าพระยาราชาสุภวดีนำไปทำพระวิหารไว้ที่ในวัดจกักรวตรเป็นวัดของเจ้าพระยาอภัยราชาปิน่นซึ่งเป็นบิดาเจ้าพระยาราชาสุภวดีสิงห์แต่เจ้าอุปราชเมืองเวียงจันนั้นโปรดกล่าวให้ยกครอบครัว ไปอยู่ที่บ้านเก่าเจ้าอนุที่บางยี่ขันกรุงเทพสงขัดเคืองเจ้าพระยาราชสุภาวดีมากนักที่ไม่ทําลายล้างเมืองเวียงจันทร์ให้สาบสูญเสียสิ้นกลับมาคิดแต่งตั้งขึ้นให้เป็นบ้านเมืองต่อไปไม่โปรดเพราะเหตุฉะนั้นจึงไม่โปรดตั้งให้เป็นเจ้าพระยาจักรีให้เป็นแต่เจ้าพระยาราชสุภาวดีว่าที่สมุหานายกอยู่ก่อนครั้นณเดือนเจ็ด ในปีชวดสำริดทิศกนั้นเจ้าพระยาราชชาสุภาวดีกราบถวายบังคมลายกทัพไปเมืองเวียงจันทร์อีกตามกระแสพระราชดำริให้ทำลายล้างเมืองเวียงจันทร์เป็นป่าได้เดินกองทัพขึ้นทางดงพระยาไฟพักพลที่เมืองนครราชาสีมาขอช้างมาไปเป็นพาหนะและนําท้องตาให้เจ้าพระยานครราชาสีมาดูจะได้รู้ว่า เกณฑ์ผู้คนช้างม้าโคต่างเท่าใดตามหัวเมืองรายทางด้วยให้เจ้าพระยานครราชสีมาเป็นผู้ช่วยในข้อราชการที่จะต้องการต่อไปภายหน้าครั้นนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาป่วยจึงให้พระยาทุขราชหนึ่งพระยาประสิทธิคชลักษจางวางกรมช้างกองนอกหนึ่งพระยาพรมยกระบัดเมืองนครราชสีมาหนึ่ง พระนรงค์สงครามจางวางสวยทองหนึ่งพระมหาไทยหนึ่งพระสุภมาตราหนึ่งกับพระนรินทรารักษหนึ่งกับพระหลวงขุนหมืน่นกรมการเมืองนครราชสีมาคุมพลทหารเดินเท้าและช้างมา้าตามท้องตราที่เกณฑ์ขึ้นมานั้นให้ยกไปในกองทัพเจ้าพระยาราชสุภาวดีครั้งนี้ด้วยแต่เจ้าพระยานาครราชสีมานั้นก็พูดว่า ถ้าหายป่วยจึงจะยกตามขึ้นไปต่อภายหลังจึงให้พระยาพรมยกประบาดคุ้มพลถ่ายสเบียงอาหารไปส่งด้วยฝ่ายกองทัพเจ้าพระยาราชสภาวดีและทัพพระยานายทัพนายกองทั้งหลายพร้อมกันยกออกจากเมืองนครราชสีมาขึ้นไปเมืองภูเขียวเมื่อเดือนแปดบุรพาศาสตร์พักทัพที่นั้นเกณฑ์พลทหารทั้งสบียงอาหารได้พร้อมแล้ว จึงยกขึ้นไปถึงหนองบัวราพูตั้งค่ายพักพลอยู่ที่นั่นพอสมควรเจ้าพระยาราชสุภาวดีแต่งให้พระยาราชรองเมืองหนึ่งพระยาพิชัยสงครามหนึ่งพระยาทุกขราชเมืองนครราชสีมาหนึ่งหลวงสุเรนทรวิชิตหนึ่งสี่นายนี้เป็นแม่ทัพนายกองคุมไพรพนพันหนึ่งเป็นทัพหน้ายกขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่พรานพร้าที่ค่ายหลวงเก่า เพื่อจะได้ตรวจตราราชการเมืองเวียงจันด้วยฝ่ายพระยาราชรองเมืองพระยาพิชัยสงครามสั่งให้เหมือนเทพพักดีคุมไพร่สิบคนลงเรือเล็กข้ามฟากไปในเมืองเวียงจันให้ไปหาตัวเผียรเมืองจันกับเท้าเพรน่ามาปรึกษาราชการที่นค่ายพรานเพราสักครู่หนึ่งไพร่ที่ไปกับหมือนเทพพักดีกลับมาสามคนแจ้งความว่า เราในเมืองเวียงจันทร์จับมื่นเทพพักดีกับไพรไว้เจ็ดคนอีกสามคนนี้ยังมีอยู่ที่ในเรือเห็นพวกเราในเมืองเวียงจันทร์เป็นดันมากถือเครื่องสาสตราวุธครบมือกันบ้างเดินบ้างวิ่งสับสนวุ่นวายปั่นป่วนกันอยู่มากบ้างก็มาจับมื่นเทพพักดีกับไพร่ที่ตามขึ้นไปด้วยเจ็ดคนชุดลากพาไปในเมืองหมดเมื่อเห็นอาการแปลกประหลาดดังนั้นแล้ว จึงถอยเรือข้ามฟากลับมาทั้งสามคนฝ่ายท่านพระยาราชรองเมืองแม่ทัพได้ทราบเหตุการณ์ดังนั้นแล้วจึงแบ่งไพรพ่พลทหารในกองทัพหกร้อคนให้พระยาพิชัยสงครามกับพระยาทุกขราชและหลวงสุเรนทร์วิชิตเป็นนายทัพนายกองคุมไพร่ลงเรือเก่าที่หน้าค่ายหลวงข้ามฟากไปสืบข่าวราชการในเมืองเวียงจันทร์ขันพระยาพิชัยสงคราม พระยาทุกขราชหลวงสุเรนทรวิชิตข้ามฟากถึงฝั่งยกเข้าไปตั้งอยู่ที่วัดกลางในเมืองเวียงจันทฝ่ายเพื่อเมืองจันทร์ผู้รักษาเมืองเวียงจันท์นั้นจึงนำข้าวปลาอาหารมาต้อนรับคำนับพระยาพิชัยสงครามแล้วแจ้งความว่าหมื่นเทพพักดีกับไพรไทยเจ็ดคนมาถึงในบ้านเมืองเป็นความยินดีต้อนรับจับมือถือแขนพาไปเลี้ยงดูตามธรรมเนียม ข้าหลวงมาถึงบ้านเมืองหาได้จับกลุ่มทำอะไรไม่แต่คนที่อยู่ในเรือหาขึ้นไม่กลับไปเสียโดยเร็วแล้วจึงพาหมื่นเทพพักดีกับไพรไทยเจ็ดคนมาหาเจ้าพระยพิชัยสงครามเจ้าพระยพิชัยสงครามถามหมื่นเทพพักดีหมื่นเทพพักดีก็รับว่าหินดุดคาเพียเมืองจันว่าหนังทุกประการแต่ข้อที่พวกเราในเมืองเวียงจัน ถือเครื่องศาสต ร, ราวุธมากวิ่งวุ่นวายนั้นหมือนเทพภักดีรับว่ามีจริงถามลาวลาวแก่ว่าเมื่อเห็นคนมากับเรือแต่ไกลไม่รู้ว่าไทยหรือพวกใดจึงได้ตเตรียมดาวุธไว้เพื่อเป็นการรักษาบ้านเมืองตามคำสั่งเจ้าพระยาราชสุภาวดีครั้นนเดือนแปดทุติยาศาสตร์แรมค่ำหนึ่งฝ่ายเจ้าราชวงศ์ บุตรเจ้าอนุซึ่งหนีไปอยู่เขตแดนยวนนั้นก็ใช้ให้ลาวถือหนังสือมาส่งให้เพียเมืองจันเพียเมืองซ้ายฉบับหนึ่งเป็นอักษรลาวใจความว่าบัดนี้พระเจ้าเวียดนามมีรับสั่งใช้ให้ขุนนางยวนคุมพลทหารเป็นปองทัพพาเจ้าอนุกับเจ้าราชวงศ์และครอบครัวบุตรหลานญาติเจ้าอนุมาส่งณเมืองเวียงจัน เดี๋ยวนี้มาถึงที่ท่าข้ามช้างยังหนทางอีกสี่คืนห้าคืนก็จะมาถึงเมืองเวียงจันขอให้เพียเมืองจันเพียเมืองซ้ายเท้าเพียหน้าผู้อยู่รักษาบ้านเมืองเวียงจันนั้นจัดที่ทางเรียนเย่าร่มเงาให้สมควรเป็นที่พักอาศัยของเจ้านายที่จะมาอยู่บ้านเมืองเดิมฝ่ายเพียเมืองจันเผียเมืองซ้ายเท้าเพียหน้า ได้นําต้นหนังสือของเจ้ารัชวงศ์มาสรงให้พระยาพิชัยสงครามพระยาพิชัยสงครามจึงสรงต้นหนังสือเจ้ารัชวงศ์ให้หมื่นเทพพักดีกับไพร่เจ็ดคนก็ลงเรือข้ามฟากไปค่ายพรานเพลาให้แก่พระยาราชรองเมืองพระยาราชรองเมืองมอบทรงต้นหนังสือนั้นให้หมื่นเทพพักดีกับไพร่ยี่สิบห้าคนขึ้นม้าเร็วข้ามเขาสารไปยังทำเนียบในป่าชมพู ส่งให้เจ้าพระยาราชาสุภวดีเจ้าพระยาราชาสุภวดีได้แจ้งความตามในหนังสือบอกพระยาราชรองเมืองและต้นหนังสือเจ้าราชวงศ์ส่งมานั้นแล้วเข้าใจที่จะไปไม่ทันท่วงทีราลจึงสั่งให้เดินทัพรีบไปทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ณเดือนแปดทุติยศาสตร์แรมห้าค่ำครั้นณเดือนแปดทุติยศาสตร์แรมหกค่ำเจ้าอนุราชวงศ์ ยกมาถึงเมืองเวียงจันทร์ไพร์พลลาวมากับเจ้าอนุราชวงศ์ครั้งนั้นสองพันหกร้อยคนแต่ไพร ย, ยวนมาด้วยแปดสิบสองคนนายทัพยวนสองคนยวนล่ามพูดภาษาลาวได้มาสองคนเจ้าลาวหัวเมืองขึ้นแก่ยวนมาด้วยยวนสี่คนคือเจ้าเมืองปงหนึ่งอุปราชหนึ่งราชวงศ์หนึ่งมหาวงศ์หนึ่ง มีพระเวลวาชาวเมืองปงมาด้วยสองร้อยสำหรับรักษายวนมาตามทางเลเมืองเวียงจันท ร, ร์และพวกวยวนมาตั้งค่ายอยู่ในเมืองเวียงจันท ร, ร์บ้างนอกเมืองเวียงจันทร์บ้างแยกย้ายกันอยู่ในวันมาถึงเมืองเวียงจันท ร, ร์นั้นยวนล่ามสองคนมาหาพระยาพิชัยสงครามพระยาทุขราชหลวงสุเรนทรวิคิตทั้งสามยวนล่ามสองคนแจ้งความว่าเวลาพรุ่งนี้เช้า ขุนนางแม่ทัพยวนจะพาเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์และเจ้าบุตรหลานญาติมาหาคํานัดท่านแม่ทัพไทยจะขอพูดจาโดยดีประนีประนอมตามรับสั่งพระเจ้าเวียดนามให้ขอโทษลาวต่อไทยแต่ในวันนี้เป็นเวลาเย็นจวนค่ําแล้วจะพูดจาข้อราชการก็หาหมดจดไม่ต่อพรุ่งนี้เช้าจึงจะพาเจ้าลาวมาหาคํานับท่านแม่ทัพไทย ยวนล่ามพูดเท่านั้นก็ลากลับไปที่ชุมนุมฝ่ายพระยาพิชัยสงครามไม่ไว้ใจแก่ลาวยวนจึงให้ทหารไทยตั้งการรักษาแข็งแรงมั่นทงในเวลาคืนวันนั้นครันลุ่งขึ้นณนะวันเดือนแปดทุติยศาสตร์แรมเจ็ดค่ำเวลาเชา้าขุนนางยวนสองคนล่ามยวนสองคนเจ้าลาวที่ขึ้นแก่ยวนมาด้วยสามคนพร้อมกันพาเจ้าอนุกับเจ้ารัชวงศ์ มาหาพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขลาชหลวงสุเรนทรวิชิตณนะที่ศาลาลูกขุนเก่าของเจ้าอนุขณะนั้นยวนพูดว่าเจ้าอนุลาวมีความผิดต่อไทยแล้วหนีไปหายวนฝ่ายยวนเหมือนมารดาเจ้าอนุฝ่ายไทยเหมือนบิดาเจ้าอนุเจ้าอนุเหมือนบุตรครั้นบิดามีความโกรธแก่บุตรแล้ว ฝ่ายมารดาก็ต้องพาบุตรมาขอโทษต่อบิดาด้วยความเมตตากรุณาแก่เจ้าอนุดุดดังบุตรโง่เขาเบาความคิดเพราะลงเชื่อขุนนางหัวเมืองยุยงจึงได้ทำการสึกซึ่งเป็นความผิดล่วงเกินไปมากแล้วเท่าใดเจ้าอนุรับสารภาพผิดทั้งสิน้นตามแต่ไทยจะลงโทษให้เข็ดหลาบถ้าท่านแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยมาถึงเมืองเวียงจันท์เมื่อใดแล้วแม่ทัพยวนจะพาเจ้าอนุ เจ้ารัชวงศ์มาหาท่านแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยจะอ้อนวอนขอให้พาเจ้าอนุลงไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพเพื่อจะให้ขอโทษตนที่มีความผิดสักครั้งหนึ่งแล้วยวนล่ามแจ้งความอีกว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามโปรดแต่งราชทูตานุทูตยวนให้เชิญพระราชาสานลงเรือทะเลเข้าไปกรุงเทพเพื่อจะขอรับพระราชทานโทษ เจ้าอนุผู้ผิดสักครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าอนุเคยขึ้นแก่กรุงเทพมาแต่ก่อนอย่างไรพระเจ้าเวียดนามก็ไม่ห้ามปรามขัดขวางอย่าง ร, รมเนียมซึ่งยวนต้องเป็นธุระพาลาวมาขอโทษแก่ไทยเพราะด้วยเมืองเวียงจันทร์เคยแต่งขุนนางลาวเป็นทูตนำเครื่องราชบรรณาการขึ้นไปจิ้มป้องถึงกรุงเวถวายแก่พระเจ้าเวียดนามสามปีครั้งหนึ่งด้วยเจ้าอนุ เคยพึ่งพระบารมีพระเจ้าเวียดนามพระเจ้าเวียดนามจึงได้ทรงพระเมตตากรุณาแก่เจ้าอนุและเราซึ่งเคยไปมาค้าขายจะเสื่อมเสียประโยชน์ในการพาณิชยกรรมค้าขายของพลเมืองทั้งสองฝ่ายยวนล่ามพูดชี้แจงข้อความตามถ้อยคำแม่ทัพยวนสิ้นลงแล้วฝ่ายเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์พูดจากันกับพระยาพิชัยสงครามและพระยาทุกราช สุเรนทร์วิชิตเป็นปกติเรียบร้อยดีโดยสุภาพรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอภาปราสัสไตาถามถึงการขัดสนสเสบียงอาหารที่มาค้างอยู่กลางป่าเป็นการอารีอารอบเหมือนดังคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนแล้วเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์สั่งให้พวกลาวนำข้าวสารเกลือเนื้อเค็มปลาแห้งหมากแห้งพลูแห้งยาบุรี กับหม้อทองแดงสำหรับหุงข้าวจัดมาส่งให้แม่ทัพไทยให้แจกแก่ไพรพลไทยทั่วทุกกองที่มาค้างอยู่ทางกันดานก็พอเวลาบ่ายโมงเจ้าอนุเจ้าระชงลาแม่ทัพไทยกลับไปตั้งชุมนุมพักอยู่ที่วัดพระแก้วมรกตยวนลาไปพักอยู่ที่วัดจันฝ่ายพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราบหลวงสุเรนทร์เชิตทั้งสามนายนั้น ก็เชื่อถือถ้ อ, ถอยคําเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์และยวนทุกประการจึงมีความประมาทไม่สงสัยว่าเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์จะกลับเป็นศัตรูอีกจึงไม่ได้ตั้งระวังรักษาตนปล่อยให้ไพร่พลในกองทัพไทยไปเที่ยวหาอาหารกินในที่ต่างๆห่างไกลาจากที่ชุมนุมแม่ทัพอยู่ด้วยเวลานั้นก็กันดานอดอยากอาหารอยู่มากไพรพลจึงหาอยู่พรักพร้อมกันกันกบแม่ทัพไทยไม่ ในวันเดือนแปดทุติยาศาสตร์แรมเจ็ดค่ำเวลาบ่ายสามโมงเจ้าพระยาราชสุภาวดียกกองทัพขึ้นมาถึงค่ายพรานคล้าวที่เจ้าพระยาราชรองเมืองพักอยู่นั้นถึงทีหลังเจ้าอนุกลับไปแล้วสองชั่วโมงครั้นต่อเวลาเจ้าพระยาราชสุภาวดีมาถึงนั้นอีกชั่วโมงหนึ่งจึงพอถึงเวลาบ่ายสี่โมงในวันแรมเจ็ดค่ำนั้นเจ้าอนุเจ้าราชวงศ์ ขุมไพรพลทหารประมาณพันเศษก็ยกเข้าจู่โจมถมเข้าล้อมรอบวัดกลางซึ่งเป็นที่ชุมนุมอยู่ของพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราชหลวงสุเรนทรวิชิตทั้งสามคนนั้นไม่ทันรู้ตัวจะเตรียมการต่อสู้ก็ไม่ทันท่วงทีฝ่ายพวกทหารลาวยกเข้าล้อมไว้รอบแล้วเลาาจึงยกปืนยิงระดมไปดังหาฝนกระสุนปืนลถูกไพรพลไทยอยู่ในที่ล้อมตายทั้งสิ้น พระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราชหลวงสเรนทรวิชิตถูกปืนตายทั้งสามคนปายคุ้นหมื่นนายกองทัพไทยและไพรพลที่ไปหากินอยู่นอกที่รอมเห็นลาวทำการจลาจลขึ้นดังนั้นก็ตกใจกลัวจะมาช่วยนายก็ไม่ทันจึงพากันวิ่งหนีออกจากเมืองหมายใจจะลงเรือข้ามฟากหนีไปยังพราบลาคขันมาถึงตีนท่าจะหาเรือของตนสักลำก็หามไม่ห้ เพราะพวกเรามาลักเก็บพาเรือไปเสียหมดพวกไทยเสียทีไม่มีเรือแล้วจึงพากันโดดลงในแม่น้ำโขงว่ายน้ำข้ามมากลางแม่น้ำได้พวกเราพากันลงเรือของไทยถอพายมาไล่ยิงปันแทงไทยที่ว่ายน้ำอยู่นั้นตายมากกว่า400คนที่เหลือตายว่ายน้ำเกาะคอนไม้ข้ามแม่น้ำโขงมาถึงฝั่งสาณเพร้าได้นั้นคือหมื่นรัตนเวศหนึ่ง กับไพร่สี่สิบห้าคนที่รอดตายมาแจ้งความกับแม่ทัพไทยขณะนั้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีพอถึงค่ายพรานพล้าสักสองชั่วโมงและเห็นลาวไล่ฆ่าฟันไทยมาในแม่น้ำโขงและที่หาดทรายหน้าเมืองเวียงจันเป็นอนลมานก็แจ้งว่าทัพไทยเป็นอันตรายแน่แล้วขันจะคิดยกพลทหารข้ามแม่น้ำโขงไปช่วยเรือไม่มีจะข้ามไปช่วยได้กับไพร่พลก็ยังมีน้อย ไม่พอจะต่อสู้รบกับข้าศึกล่าวเพราะไพร่พลกองหลังยังมาไม่ถึงพรานเพลาวแต่พอเวลาพบคำ่ำเหมือนรักษาเวกกับไพร่ที่หนีมาได้ถึงณฝั่งแล้วจึงได้ไปแจ้งความให้เจ้าพระยาราชสุภวีร์ฟังทุกประการขณะนั้นผลราวชาวเมืองคอนครราชสีมาซึ่งต้อนเกณฑ์มาสมทบกับทัพไทยนั้นได้ทราบเหตุดังนั้นก็พากันหลบหลีกหนีกลับไปเมืองคอนครราชสีมาเสียมากนัก ฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีจึงปรึกษาด้วยพระยาพระหลวงนายทัพนายกองทั้งหลายว่าเราจะคิดอ่านยกกองทัพลงไปตั้งรับสู้รบ ก, กันกับเจ้าอนุที่เมืองนครราชสีมาเห็นจะดีเพราะเป็นที่มั่นคงแข็งแรงมากแต่เป็นทางจะลงไปไกลามากนักขันจะตั้งอยู่ต่อสู้รบกับเจ้าอนุที่ค่ายพรานเพาวนี้ไม่ได้เพราะคนเรามีน้อยนัก จะต้านทานกองทัพราไม่ไหวเราจะคิดอ่านทาฉันใดดีฝ่ายพระยาเชียงสาเลาชาวเวียงจันท์ซึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์แต่ก่อนนั้นจึงพูดขึ้นว่าเห็นทีที่มีอยู่พอจะตั้งมั่นต่อสู้รบรับกับทัพลาวเจ้าอนุได้คือที่เมืองยะโสธร น, นั้นมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ทั้งมีผู้คนผลลเมืองก็มั่งคั่งพั่งพร้อม ขอจะเป็นกำลังของกองทัพไทยได้ขอให้ใต้เท้าพระกรุณาเจ้ายกกองทัพไปตั้งที่นั่นเห็นจะพอสู้รบ ก, กับเจ้าอนุได้พระยาเชียงสากราเปลียนขอรับอาสาว่าข้าพระเจ้าจะนำทางพาลักป่าไปเมืองยะโสธรในเวลากลางคืนวันนี้ขอให้ถึงเมืองยะโสธรในเวลาพรุ่งนี้เช้าให้ได้ เจ้าพระยาราชสุภาวดีได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงได้มีบัญชาสั่งให้หนายทัพนายกองไทยจัดแจงกระเตรียมการที่จะล่าทัพกลับไปเมืองยะสโสธรแล้วสั่งให้ขนรองจากเมืองนครราชสีมาขึ้นม้าเร็วรีบไปเร่งกองทัพพระยานารงค์สงครามให้รีบยกตัดทางลัดป่าไปยังเมืองยะสโสธรโดยเร็วอย่าให้เดินทัพมาทางพรานเผาเลยเพราะที่นี่เกิดการจราจลวุ่นวายขึ้น กลับให้ขุนรองจ่าเมืองกลับลงไปเมืองนครราชสีมาติดตามจับตัวพวกไพร่ที่หนีตาทัพกลับไปนั้นให้จับจำตรวนไว้ในเมืองนครราชสีมาทั้งสิน้นแล้วให้หลวงพิชัยเสนากับขุนวิสุทธิเสนีเป็นข้าหลวงกากับขุนรองจ่าเมืองลงไปตามจับชําระเลขไพรหลวงที่หนีทัพให้ได้ตามท้องตราที่เกณฑ์ขึ้นมาให้ครบคนให้เร่งตามบัญชี ต, ตารางเกณฑ์นั้น เพื่อจะไม่ให้ไพร์มินประมาทต่อราชการทัพศึกต่อไปภายหน้าฝ่ายขุนนางยวนที่พาเจ้าอนุมาส่งนั้นครั้นได้ทราบเพศว่าเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์ทำการวุ่นวายข้าผู้คนไทยทั้งนายและไพร์ตายหมดดังนั้นแล้วยวนเห็นว่าเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์กระทําการละเมิดผิดกระแส ร, รับสั่งพระเจ้าเวียดนามไปดังนั้นขุนนางยวนก็ใช้ให้เจ้าลาวที่ขึ้นแก่ยวน มาหาเจ้าอนุให้ไปหาเพื่อจะได้ว่ากล่าวห้ามปลามตามการที่เป็นผู้พามานั้นเจ้าอนุเจ้าระชงก็ไม่ไปหายวนกลับจะฆ่าฟันเจ้าลาวที่มาตามนั้นเสียด้วยเจ้าลาวกลัวก็ต้องหนีไปแจ้งความแก่ยวนยวนเห็นว่าเจ้าอนุเจ้าระชงดื้อดึงบึงบันไปฝ่ายเดียวจะหาตัวมาว่ากล่าวโดยดีก็ไม่มาขันยวนจะติดตามไปว่ากล่าวก็กลัวเจ้าอนุจะสู้รบ เพราะยวนมีไพร่พลมาน้อยนักยวนจึงได้ถิ้งเจ้าอนุเจ้ารจงไว้ที่เมืองเวียงจันทร์พาไพร่พลยวนแปดสิบคนกับล่าเมืองขึ้นนั้นกลับขึ้นไปเมืองล่าน้าดังเก่าแล้วชักชวนให้เจ้าลาวหัวเมืองขึ้นเข้าชื่อพร้อมกันลงในใบบอกบอกขึ้นไปยังกรุงเวตามความที่เจ้าอนุเจ้ารวงทาผิดต่อรับสั่งพระเจ้าเวียดนามกรุงเว ฝ่ายที่กรุงเทพมหานครนั้นมีเรือรบทะเลยวนมาถึงกรุงเทพลำหนึ่งณวันอาทิตย์เดือนสิบขึ้นสิบสามคำ่ำมีทูตยวนเข้ามาแจ้งความต่อเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีฝ่าย ร, ราชการต่างประเทศว่าราชทูตยวนชื่อองค์เลวันหืออุปทูตชื่อองค์โดยลำเยียงกับขุนนางนายทหารสี่คนไพร ย, ยวนหกสิบคนขุมเรือรบทะเลมาแต่เมืองใส้นอน โดยคำสั่งองค์เลโปเสนาบริฝ่ายราชการต่างประเทศที่กรุงเวให้องคเลวันหือราชทูตองค์โดยลำเยียงอุปทูตจึงเชิญพระราชสานของพระเจ้าเวียดนามฉบับหนึ่งเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพเจ้าพระยาพระคลังให้ล่ามพนักงานแปลสำนวนพระราชสานยวนออกเป็นภาษาไทยใจความว่าพระราชสานในสำนักพระเจ้าเวียดนาม ทรงคํานับมาถึงพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาโปรดทราบว่าเมื่อปีกายนั้นเจ้าเมืองแง่าอ่านมีใบบอกขึ้นไปถึงกรุงเวชบับหนึ่งองค์ทงเจอั克รมหาเสนาบดีนําใบบอกเมืองแง่าอ่านขึ้นกราบทูลพระเจ้าเวียดนามว่าเจ้าอนุอพยพครัวเล็กน้อยหนีกองทัพไทยเข้าไปพักอาศัยอยู่ในเขตแดนหัวเมืองลาวที่ขึ้นกับยวนแล้วเจ้าอนุ เจ้าบุตรหลานแจ้งความทุกข์ร้อนให้เจ้าเมืองแง่อ่านฟังว่าเดิมเจ้าอนุลงไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพระมหาคนครศรีอยุธยาเจ้าอนุก็ได้ถูกขุนนางไทยดูถูกดูหมิ่นมากมายเจ้าอนุก็สู้อดกลั้นเสียเป็นพระเมืองขึ้นแก่ไทยไทยจึงดูถูกด้วยกิริยาวาจาต่างๆแล้วเจ้าอนุก็ทูลลากลับขึ้นมาบ้านเมืองเวียงจันท์ไม่ทันร่วมปี ก็มีกองทัพไทยยกไปขับไล่ครอบครัวเจ้าอนุเสียจากเมืองเวียงจันทร์เจ้าอนุไม่ทราบว่าลาวทําความผิดสิ่งไรกับไทยเห็นจะเป็นเพราะขุนนางไทยยุยงพระเจ้าแผ่นดินไทยให้เกลี้ยกราดเจ้าอนุว่าเจ้าอนุไม่ดีให้ไล่เสียจากเมืองเวียงจันทรด้วยขุนนางไทยจะรับสินบนเจ้าเมืองหลวงพะบางให้ไล่เจ้าอนุเสียจะได้ยกเมืองเวียงจันท์ให้แก่ลูกเจ้าเมืองหลวงพะบางนั้น เหตุเป็นดังนั้นมาพระเจ้ากรุงมหาคนครศรีอยุธยาไม่ทรงทราบความจริงก็ต้องทรงเชื่อถ้อย ค, คําขุนนางที่เก็บความเท็จกราบทูล น, นั้นจึงได้มีรับสั่งให้กองทัพไทยขึ้นไปไล่เจ้าอนุเสียตาม ค, คําขุนนางไทยกราบทูลล้วนเป็นความเท็จฤทธิ์ยาเจ้าอนุถ้าการเป็นดังเจ้าอนุพูดจริงแล้วขอให้พระเจ้ากรุงพระมหาคนครศรีอยุธยาทรงพระราชดรลให้รอบครอบ โดยทางที่ยุติธรรมราชประเพณีพระมากษัตริย์ทรงรำรอันประเสริฐยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่พึ่งของเมืองประเทศ ร, ราชเล็กน้อยด้วยเทินการที่ว่ามานี้ตามคำที่เจ้าอนุพูดพระเจ้ากรุงเวียดนามยังไม่ทรงเชื่อถือทั้งหมดแน่ลงได้จึงมีพระราชสารเข้ามาแจ้งและถามอาการดูก่อนแต่การทั้งนั้นจะเท็จจริงประการใดก็ทาเนาเถิด แต่พระเจ้ากรุงเวียดนามทรงพระราชดาริเห็นว่าเจ้าอนุก็เป็นเชื้อสายเจ้านายวงศษัตย์ลาวสืบมาแต่โบราณช้านานนักหนาแล้วก็ครั้งนี้เจ้าอนุมีความทุกข์ร้อนพลัดบ้านเมืองมาหาที่พึ่งไม่ได้เหมือนพระยาหงปิขับพระเจ้ากรุงเวียดนามมีความเมตตากรุณาแก่เจ้าอนุจึงได้โปรดเกล้าให้องค์ธงเจอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือ มีท้องตราบังคับสั่งเจ้าเมืองแง่อานให้รับครัวเจ้าอนุไว้ให้อาศัยอยู่ในเมืองแม่อานได้ปีหนึ่งแล้วเจ้าเมืองแม่อานทรงใบบอกขึ้นไปถึงกรุงเวชฉบับหนึ่งจึงองค์ธงเจอัคเรเสนาบดีนาขึ้นกราบทูลพระเจ้าเวียดนามมีใจความว่าที่เมืองเวียงจันนั้นยังไม่มีเจ้าบ้านผ่านเมืองครอบบ้านครองเมืองเมืองเป็นป่าอยู่มีแต่พลไพ ได้รับความเดือ ด, ดร้อนยิ่งนักเพราะไม่มีอธิบดีเมืองจะตัดสินถ้อยความเจ้าอนุขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาจะกลับไปบ้านเมืองเวียงจันทร์เพราะบ้านเมืองยังรกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นป่าจะกลับลงไปขอพระราชทานโทษแก่กรุงไทยด้วยเมื่อพระเจ้าเวียดนามได้ทรงทราบในใบบอกครั้งหลังนี้แล้วยิงโปรดให้องค์ธงเจอั克拉มหาเสนาบดีผู้ใหญ่มีท้องตราบังคับสั่งให้ขุนนางยวนสองนาย กับเจ้าลาวหัวเมืองขึ้นกับยวนสามนายให้คุมไพร์ยวนลาวพอสมควรมาส่งเจ้าอนุให้ผลเขตแดนยวนหรือว่าถ้าเจ้าอนุจะไม่กล้าหานลงไปถึงเวียงจันท์ได้แต่พวกลาวก็ให้เจ้าขุนนางยวนขอต่อนายด่านไทยว่าจะพาเจ้าอนุไปส่งถึงเมืองเวียงจันท์โดยดีถ้านายด่านไทยยอมให้ยวนเข้าไปในเขตแดนไทยได้จึงให้ยวนเข้าไปถ้านายด่านไทย ไม่ยอมให้ฝ่ายยวนเข้าไปก็อย่าให้ยวนดื้อดึงเข้าไปเป็นอันขาใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรเล่าได้มีหนังสือเตือนสติสั่งกำชับเจ้าอนุอีกฉบับหนึ่งว่าถ้าเจ้าอนุถึงบ้านเมืองเวียงจันทร์เมื่อใดให้เร่งคิดถึงตนให้มากอย่าถือตนว่าไม่ผิดให้เกรงกลัวพระบารมีพระเจ้ากรุงศรียยุทธยาให้มากๆเพราะตนเป็นผู้น้อยให้แต่งเจ้านายบุตรหลานญาติผู้ใหญ่คุมเครื่องราชบรรณาการ ลงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้ากรุงมหานครศรียุทธยาตามธรรมเนียมเมืองประเทศราบที่พึ่งพระบารมีแล้วให้จัดทุกเทียนดอกไม้ทองเงินอีกสำรับหนึ่งลงไปทูลเกล้าวถวายขอพระราชทานขมาโทษตนตนจะได้ผลความผิดได้สั่งสอนดังนี้แล้วจึงได้พระราชท า, านข้าวสารเกลือปลาอาหารให้พร้อมทั้งเจ้านายและคุณนางไพรพลเห า, าด้วย เพราะทรงเห็นว่าเป็นเวลาคราวกันดาลอยู่มากได้โปรดให้ขุนนางยวนคุมเจ้าอนุไปส่งทางบกแล้วใช่แต่เท่านั้นยังไม่ไว้พระไทยจึงได้มีพระราชสารมาทางเรือเพื่อจะขอให้พระเจ้ากรุงมหานครศรียุธยาทรงพระเมตตากรุณาแก่เจ้าอนุผู้เป็นเชื้อสายสืบกษัตริย์ลาวมาให้ได้คงคืนอยู่บ้านครองเมืองเขาอย่างเดิมเมืองเวียงจันท์จะไม่ได้เป็นป่าดงพงไพร จะได้เป็นเมืองประเทศสราค้าขอบขันธศสีมาทั้งสองพระนครคือกรุงพระมหานครศรีอยยธยาและกรุงเวอานามตามพระราชประเทณีโบราณเหมือนแต่การก่อนมาหมายเหตุสิ้นข้อความในพระราชสารของพระเจ้าคุงยวนแต่เพียงเท่านี้เจ้าพระยาพระคัง ได้นำราชทูตยวนเข้าเฝ้าแล้วทูตต้องรอฟังราชการอยู่ที่กรุงเทพได้แปดวันพอมีพระราชสารยวนส่งมาทางเมืองขเมรอีกฉบับหนึ่งสำเข้ามาอีกเป็นสองฉบับฝ่ายพระรามนรงข้าหลวงกรุงเทพพร้อมด้วยพระยาพระเขเมรเมืองพระตะบองบอกส่งยวนนายพร่18สิบแปดคนซึ่งถือหนังสือองค์เลโปเสนาบดีฝ่ายต่างประเทศที่กรุงเวเดินมาทางเมืองขมรสักหลังผนึกว่า ถึงเจ้าพระยาพระคังเสนาบดีฝ่ายต่างประเทศกรุงพระมหานครศรีอยุธยาล่ามพนักงานแปลหนังสือหยวนออกมาเป็นภาษาไทยเป็นใจความว่าหนังสือองเลโปเสนาบดีผู้สําเร็จราชการฝ่ายนานาประเทศกรุงเวอาดนามได้รับสั่งพระเจ้าเวียดนามให้แจ้งความตามทางราชการมาถึงเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีฝ่ายนานาประเทศ กรุงพระมหานครศรีอยุธยาสยามได้ทราบด้วยพระเจ้าเวียดนามทรงพระเมตตาให้ขุนนางยวนพระเจ้าอนุไปส่งนั้นแล้วกลับได้แต่งทูตยวนเชิญพระราชสารเข้ามากรุงพระมหานครศรีอยุธยาด้วยแล้วเนือความสองข้อนี้มีแจ้งอยู่ในพระราชสารที่ส่งมากับราชทูตทางเรือนั้นแล้วบัดนี้กิลเรียกเบียนบูขุนนางหัวเมืองแงอาน มีหนังสือบอกขึ้นมาถึงองค์ทงเจอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือฉบับหนึ่งใจความว่าขุนนางยวนพาเจ้าอนุไปส่งเมืองเวียงจันแล้วได้พูดจาหารือกับแม่ทัพไทยที่รักษาเมืองเวียงจันเป็นปกติตกลงจะแต่งเจ้าบุตรหลานให้ลงไปหาเสนาบดีฝ่ายไทยเพื่อจะได้ขอโทษตนที่ผิดนันเจ้าอนุได้พักอยู่ในเมืองเวียงจันคืนกับวันหนึ่ง เบียงอาหารหมดลงเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์ก็ใช้ให้พวกเราไปขอข้าวเปลือกในยุ้งฉางที่ไทยรักษาอยู่แม่ทัพนายกองไทยที่รักษาฉางข้าวนั้นไม่ใจให้ไผ่คนลาวของเจ้าอนุกินพอเป็นกําลังรัช ก, การต่อไปฝ่ายเจ้ารัชวงศ์ได้ไปหาแม่ทัพไทยได้อ้อนวอนขอข้าวให้ไผ่คนลาวกินบ้างเพราะคราวกันดารอดอยากไทยก็ไม่ให้ข้าว กลับนำปืนยิงชาวลาวที่ไปขอข้าวกินนั้นล้มตายหลายคนไทยก่อเหตุก่อนล้วก็กำเริบขึ้นบ้างเกิดรบราฆ่าฟันกับกองทัพไทยไทยสู้ไม่ได้ทิ้งเครื่องศสตราวุธเสียหมดหนีไปสิ้นฝ่ายเจ้าอนุเจ้ารชวงก็ไม่ได้ยกกองทัพไล่ติดตามไทยไปไทยก็หนีลงน้ำว่ายข้ามปากจมน้าตายมากกว่ามากเองดังนั้นเมื่อองค์ธงเจอาพรมหาเสนาบดี นำข้อความตามหนังสือบอกของกินเรียกเบียนบูขุนนางหัวเมืองขึ้นทูลพระเจ้าเวียดนามพระเจ้าเวียดนามมีรับสั่งให้เสนาบดีจักขุนนางยวนขึ้นมาเร็วรีบขึ้นไปได้ว่ากล่าวกำชับเจ้าอนุว่าให้เจ้าอนุเก็บเครื่องตราวุธยุทธภัณฑ์ที่กองทัพไทยทิ้งไว้แล้วหนีไปรวบรวมไว้แล้วให้แต่งขุนนางลาวเจ้านายบุตรหลาน คุมเครื่องราชบรรณาการและเครื่องศาสตราวุธของไทยลงมาส่งให้เสนาบดีไทยฝ่ายเหนือจะได้นำขึ้นทูลเกล้าวถวายพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอายุทยาแล้วให้มีสุภาพศรลงไปกราบบังคมทูลชี้แจงการที่ไทยไม่จ่ายเข้าให้แล้วกลับนำปืนยิงลาวก่อนแล้วไทยหนีไปเราไม่ได้ทาก่อนเลยถ้าเจ้าอนุทาได้ดังนี้แล้วเห็นพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา จะทรงพระมหาการณุณาโปรดทรงยกโทษให้เจ้าอนุตามงอนงอที่ขอโทษรับผิดและชี้แจงความสัตย์สุจริตที่ไม่ได้เป็นขบฏ ท, ทําแก่ไทยก่อนไทยทาแก่ลาวก่อนพระเจ้าเวียดนามมีความหวังพระราชาหารุไทยว่าเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาคงจะทรงพระมหาการณุณายกโทษพระเจ้าอนุให้คงคืนบ้านเมืองสักครั้งหนึ่งเป็นแน่ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว พระเกียรติยศกรุงพระมหานครศรีอยุธยาก็จะปรากฏเจริญยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าร้อยเท่าพันทวีจะเป็นที่สรรเสริญแก่นาน า, นาประเทศใหญ่น้อยทุกทิศานุทิศเจ้าพระยาพระคังนำข้อความตามหนังสือองค์เลโปขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบใต้ฝาละองสุรีพบาทแล้วจึงทรงมีพระราชนิการมารพระบรรทูลสุรเสิงงนาฏดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระมม่มโปรดให้ เจ้าพระยาพระครังกราบพระศรีภูริปรีชาอารักษ์แต่งพระราชสารตอบฉบับหนึ่งกับของทรงยินดีตอบแทนออกไปถวายพระเจ้าเวียดนามด้วยจะฝากราชทูตยวนออกไปครั้นณวันพุธเดือนสิบเรมม้าค่ำทูตานุทูตยวนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาก็ได้พระราชทานรางวัลแก่ทูตานุทูตพอสมควรตามพระราชประเพณีครั้นนั้นเจ้าพระยาพระครัง จะขอฝากพระราชสารไทยออกไปกรุงเวด้วยราชทูตยวนไม่ยอมรับนำไปราชทูตพูดตอบโต้ว่าทูตมาถวายพระราชสารตอบไปไม่ได้ผิดด้วยขลุกทำเนียมกรุงเวฝ่ายยวนควรที่จะแต่งทูตกรุงเทพพระมหานครรีอยุธยาออกไปตอบแทนกรุงเวบ้างจึงจะชอบด้วยราชการครั้งนั้น ราชทูตยวนไม่รับพระราชสารตอบของไทยไปจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระคลังมีหนังสือประทับตราบัวแก้วตอบออกไปถึงองค์เลโปฉบับหนึ่งใจความว่าด้วยเรื่องเจ้าอนุเป็นขบฏจนมาฆ่าพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขรบกับหลวงสุเรนทรวิชิตนายทัพไทยแล่ไพ่พลไทยตายมากการงานเจ้าอนุเมืองเวียงจันทร์ ยึดประทุษร้ายต่อกรุงเทพทุกอย่างฝ่ายราชทูตยวนจึงรับหนังสือตอบของเจ้าพระยาพระคลังไปแล้วก็ลงเรือออกจากทะเลกรุงเทพไปเมื่อนะวันศุกร์เดือนสิบสองขึ้นสองคำ่ำอานมามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่ 8, แปดแผนเจ้าอนุรวงค่ากองทัพไทย เรื่องราวกำลังดำเนินมาอย่างเข้มข้นโปรดติดตามตอนต่อไป